ถ้าหากทำให้มันมีเนินก็ต้องทำเองโบมีผู้อื้อใจทำให้เห่าอีกตื่มการทำอย่างนี้ก็ได้พ่อทำให้กรบโบได้แม่ทำให้กรบบได้ลูกทำให้กรบโบได้สามีพันรยาอยู่ด้วยกันทำส่วยกันกรบบได้เพียงแต่แหนววิธีให้เท่านั้นซื่อดังนั้นวิธีน้องก็ต้องบอกกันแล้วให้เห็ุจังหวะนางนิ่งนิ่งไม่ได้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 ญาพ่อคำนวณผู้เดียวนี่ออยเพราะญาพ่อไปปฏิบัติธรรมะญ า, าพ่อไปทำมันโบานานไหมแต่ญาพ่อหักทำมาได้นานแล้วทำพุทโธสัมมารหังนับหนึ่งสองสามพองยุบหายใจเข้าสั้นออกอยาวญาพ่อให้มาหมดแล้วมุ่นแต่หกยังบมันรู้เมื่อไปทำแบบเคลื่อนไหวนี่บ่ดันนาน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 แลย้ยาพ่อว่าโอ้อันนี้หละมันทุกมากพี่ปองออกจากอันนี้แล้วมันก็ออกนายแล้วและบางคนว่าโอ้ควมโกดข่ ม, มรวบขมหลงนี่มันเป็นธรรมดาดอกกระเมียนของขาเจ้าอยู่มันเป็นธรรมดาที่ว่ามันนำคุณมันถึงโบอเอาออกจากตมจากตะกอนอั น, นันได้ถ้าหากคิดว่าสิ่งนี้เป็นทุกแล้วสิแยกรากับแย่ตะกอนออกจากกันได้ง่า ย, ายเรื่องนี่เพราะมันเกิดความ บ, บดีขึ้นมามันคิดยากแล้วโบอเอาหลด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 น้ำ ม, มันบยอยากออกจากตะกอนตะกอนมันก็นบอยอยากออกจากน้ำแล้วแบบนี้มันก็เลยออกมันก็พ้นกับอยู่ขนาด